โดยอย่างคำสอนติดเตือนการสั่งสมครอบครองทรัพย์สมบัติไว้โดยไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นในปฐมมาปุตตะสูตรสังยุตตนิกายสขาทวักมีเรื่องว่าคราวหนึ่งพระเจ้าปเปเสนณทิโกสนเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อย่างวันพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่อย่างวันพระเจ้าปเสนณทิโกศลก็กราบทูลว่า มีข้าบดีเป็นเศรษฐีในพระนครหลวงถึงแก่กรรมพระองค์จึงให้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรรับมรดกเข้าไปไว้ในพระราชวังแล้วเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าปรปเสนทิโกศลกราบทูลถึงจำนวนทรัพย์ที่ขนไปในหวังว่าเฉพาะเหรียญทองอย่างเดียวมีถึง8ดล้านส่วนเรียเงินเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงแต่ตัวก้าบดีนั้นเมื่ อ, อยังมีชีวิตอยู่ บริโภคอาหารเพียงปลายข้าวกับน้ำส้มนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบตัดเป็นสามชิ้นเย็บติดกันยานผ้าหนะก็ใช้รถเก่าๆ ก, กั้นร่มทำด้วยใบไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนี้แหละมหาบพิษสัตย์บรุษได้โภคะอันโอราณแล้วย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้เ อ, อิบอิ่มไม่เลี้ยงมารดาบิดาบุตรพันรยา คนรับใช้กรรมกรคนงานมิตรสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มไม่ประดิษฐานทักกนาอันท่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โพคะาของเขาที่มิได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสียบ้างโจรย่อมลักเอาไปเสียบ้าง ไฟย่อมไหม้เสียบ้างน้ำย่อมพัดพาไปเสียบ้างทาญาตอัปรีย่อมเอาไปเสียบ้างโพคาเหล่านั้นของเขาซึ่งไม่ได้กินใช้โดยชอบย่อมหมดสิ้นไปเปล่าไม่ถึงการบริโภคเปรียบเหมือนสระน้ำในถิ่นอมนุษย์ทั้งที่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทกระจ่างแจ๋วมีท่าเรียบราบหน้ารื่นรมคนจะตักเอา ก็ไม่ได้จะดื่มจะอาบจะทำตามปรารถนาก็ไม่ได้ส่วนสัตว์บรุษได้โภคะอันโอลานแล้วย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้เอิบอิม่มเลี้ยงมารดาบิดาบุตรพันรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมิตรสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอิม่มย่อมประดิษฐานทักกินาอันส่งผลสูงในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ซึ่งอํานวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวร ร, รค์โภคะของเขาที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายก็ไม่คนเอาไปโจรทั้งหลายก็ลักไม่ได้ไฟก็มิได้ไหมน้ําก็มิได้พัดผ่าไปทายาตอปรีก็เอาไปไม่ได้พอคะเหล่านั้นของเขาซึ่งกินใช้อยู่โดยชอบย่อมถึงการบริโภคไม่หมดสิ้นไปเปล่า เปรียบเหมือนสระน้ำไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีน้ำใสเย็นจืดสนิทกระ จ, าจ่างแจ๋วมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมคนจะตักไปก็ได้จะดื่มก็ได้จะอาบก็ได้จะทำตามปรารถนาก็ได้คนชั่วได้สับแล้วตัวเองก็ไม่กินใช้ทั้งก็ไม่ให้แกใครใครเหมือนดังน้ำอยู่ในทินอมนุษย์ จะใช้จะดื่มก็ไม่ได้คนย่อมอดส่วนวินยูชนมีปัญญาได้โภขะแล้วย่อมกินใช้และทำกิจทำงานของตนและการกุศลช่วยผู้อื่นเขาเป็นคนเลิศล้ำได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้วไม่มีใครติดเตียนได้ย่อมเข้าถึงถินสวรรค์ในอับปกสูตรสั่งยุตนิกายสขาทวักพระพุทธเจ้า ตรักับพระเจ้าปเสนธิกโกศลอีกว่ามหาบพิตรเหล่าสัตว์คือมนุษย์จำพวกที่ได้โภกระซัพยิ่งใหญ่โอฬารแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไหลในกามและทั้งไม่ปฏิบัติผิดปรายต่อสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจำนวนน้อยส่วนเหล่าสัตว์จำพวกที่ได้พ่อกระซัยิ่งใหญ่โอฬารแล้วมัวเมาประมาทหลงไหลในกาม และทั้งปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละมีอยู่ในโลกจำนวนมากมายกว่าโดยแท้ท่านเปรียบคนที่เก็บรวบรวมทรัพย์ไว้แล้วไม่ใช้ไม่แบ่งปันว่าเป็นเหมือนนกชนิดหนึ่งเรียกว่าไมฮะกะซึ่งคอยเฝ้าต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วก็ร้องว่าไมฮหังไม่หังห่งแปลว่าของข้าของข้าเมื่อหมูนกอื่นๆพากันบินมาจิกกินผลเลียบแล้วบินไป นกไม่หากะก็ได้แต่ร้องเพอ้ออยู่นั่นเองในคำพีต่างๆมีเรื่องราวตำหนิติเดเตียนคนตรนีที่เก็บสะสมซับไว้โดยไม่ใช้ไม่ช่วยใครโดยเฉพาะการทรมานเปลี่ยนใจเศรษฐีที่มีพฤติการเช่นนั้นมากมายหลายเรื่องเป็นการแสดงมติของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการครอบครองและกินใช้ซับเป็นอย่างดี